أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, ص ل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم อ ب บบีชรา حي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني ي ب ق ه وقولي اللهم ا ن ف ع إ ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا แล้วนักหนาจะรู้ว่าท่านนี้เป็นใครกันนะครับท่านนี้เป็นใครกันนะครับท่านนี้เป็นใครกันนะครับท่านนี้เป็นใครกันนะครับท่านนี้อป็นใครกันนะครับท่านนี้เป็รันนะครับทรานเรื่องราวนนะรับท่านนีดาป็ วันนี้เป็นเรื่องราวของลูกชายของดาวิดนั่นก็คือท่านนาบีสุไลมันและหลังจากเรื่องราวของสุไลมันก็จะเป็นเรื่องราวของชาวซาบะเราจะอ่านตั้งแต่อายัดที่สิบสองเป็นต้นไปนะครับวันนี้อัสลามุณลอ أعوذ بالله من <ت ص في ق> ا ل ش อ ط ا ن ا ل ر ج น م و ل รจิมวลิ ل ุไ ح ม غدوها ิยาห์กุดูฮ شهر و ราว اح ฮ ا شهر و ล س เ ن ل ا ل าม ي ن َเกี่ยวกับสายฝนَ م ะจากจินน ن ที่ทำงานระหว่างม و َ م َ ن يَزِغْ مِنْهُمْ ع َ ن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ <ت ص في ق> يعملون له ما يشاء من محارب وتماسيل وجفان คือคำตอบว่าดูด้วยร้านยัดเอามา ترا وقليل من عباد يشكور فلم ما قضينا عليه الموت ما دللهم على موتهم إلا دابة الأرض تأ. كل من سأته، فلما خرَّت بينت الجن، ألو كانوا يعلمون الغيب؟ มาเล็บช um ูฟะดาบิล สิบสองสิบสี่สิบสองถึงสิบสี่สิบสองสิบสามสิสสามอายนี้ทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องกับท่านนาบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามมาชาลลอฮพูดถึงดาวูดแล้วก็พูดถึงสุไลมานอย่างที่บอกนะครับว่าการที่อลัลลอฮาเอาเรื่องราวของสุไลมาน ของดาวูดกับสุไลมานมาพูดถึงและเอาเรื่องราวของซาบะมาเล่าให้เราได้รับฟังรับรู้ในสุราห์นี้เกี่ยวเนื่องกับพวกมุชริกินนะครับที่ทำตัวยิงเยโซกับอัลลอฮ์สุลานฮะวะตลที่ไม่ยอมเชื่ออาคิรอห์ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจอะไร ลต่าละก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่มีอำนาจคนที่ร่ำรวยอย่างดาวูดอย่างสุไลมานซึ่งเอาพวกมุชริกีในสมัยมักกะไปเปรียบเทียบเนี่ยไปเปรียบเทียบไม่ได้เลยแต่ทำไมสองคนนี้ไม่ได้หยิงเยโซเหมือนพวกกุเรชทำไมพวกกูเรชซึ่งมีเล็กๆน้อยๆจึงทำตัวหยิงเยโซ กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในโลกนี้ถ้าจะหาตัวอย่างคนที่ร่ำรวยคนที่มีอำนาจแล้วนอบน้อมต่ออัลลอ์ดาวูดและสุไลมานคือตัวอย่างที่ดีที่สุดในบรรดานาบีทั้งหมดเรื่องราวที่น่าทึ่งของบรรดานาบีแต่ละคนเนี่ยมาชอัลลอฮ์นะแต่ละอย่างแต่ละเรื่องราวเนี่ย ทุกคนมีเรื่องราวที่น่าทึ่งกันหมดแต่เรื่องราวของดาวูดกับสุไลมันเป็นอะไรที่พิเศษจนกระทั่งกลุ่มชนหนึ่งในโลกนี้ทุกวันนี้ก็ยังยึดเอาสองนบีนบีสองคนนี้เป็นอะไรเขาเรียกเป็นต้นเรื่องหรือเป็นต้นต่อของทุกๆอย่างที่พวกเขาทำอยู่ นะเอาสั ญ, ญลักษณ์ของนบีดาวูดมาทำเป็นถมแล้วก็เอาเรื่องราววิหารแห่งโซโลโมอนเรื่องราวของวิหารของนบีสุไลมานมาเป็นข้ออ้างในการที่จะทำลายอัลมาสจิดิลอัคซอเนี่ยสองคนเนี่ยเพราะว่านาบีสองคนนี้เป็นนบีที่คนเหล่านี้เชื่อถือ ด้วยความพิเศษที่เราเองก็ดูแล้วน่าสนใจจริงๆนะครับนบีดาวูดอะลัยฮสาลามละต่าลาให้ท่านมีเสียงที่ไพเราะเวลาที่ z ิเกรต่อ Allah เวลาที่ตสว b i ต่อ Allah นกเรานกกาเราภูเขาเรากะร่วมตสว b i ไปกับท่านด้วยเหล็กที่อยู่ในมือท่านเหมือนกับแป้งขนมปังจะเอามาทำอะไรก็ได้ กระนั้นก็ต่างท่านนบีดาวูดไม่ได้เป็นคนที่หยินยโท่านหาเลี้ยงชีพด้วยการทําอาชีพของท่านเองริสกีของท่านก็คือมาจากการขายเสื้อเกราะที่ท่านทําขึ้นมาแล้วรายได้ที่ท่านได้มาเอามาใช้แค่ส่วนเดียวตัวเองกับครอบครัวใช้แค่ส่วนเดียวอีกสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไปบริจาคเลย อีกส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้ก็เพื่อบริจาคอีกบริจาคในยามฉุกเฉินการอิบาดะของท่านก็สุดยอดการทำมาหากินในเรื่องดุน ي าก็สุดยอดเห็นไหมมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมาแยกดุน ي ากับอาคีรอบางคนมุ่งแต่ดุน ي าจนกระทั่งลืมอาคีรอหรือบางคนเอาแต่อาคีรอจนกระทั่งไม่เอาดุน ي าดูนบีดาวิดสิ นบีดาวิดดุน ي าก็สุดยอดมา s h a อัคคีระห์ก็สุดยอดไม่มีใครที่จะสู้นบีดาวูดได้ในเรื่องของอัคคีระห์จนกระทั่งท่านนบีสโลมละสันลามถึงกับชมเชยและยกตัวอย่างว่าละหมาดที่ดีที่สุดก็คือละหมาดของนบีดาวูดการถือศีลอดที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลอดของนบีดาวูดอัลลอฮิสซลามทีนี้มาดูลูกของดาวูดบ้างอัลลอฮวาอักบารอ่า วัสุไลมานสุไลมานซึ่งเป็นบุตรชาของดาวุดเนี่ยอัลลอฮฺให้ความพิเศษอะไรวันุสุไลมานะรีฮะหดูฮะ شهر ورواحه شهر ความพิเศษของนบีสุไลมานก็คืออัลลอฮฺให้ลมแก่นบีสุไลมานลมเป็นพาหนะ กบสุไม hey, ok, <laughs> nah, ันสุภานัแะจินตนาการออกไหมว่าไปยังไงไปกับลมลมนี้ความเร็วของมันดูนะวะักขรนาลีนบุยินาสุไลมนอัลริฮะจริบอัมริฮีปาตละอํานวยให้สิทธิพิเศษแกนบุสุไลมนสามารถที่จะสั่งลมใช้งานลมได้เอาไว้เป็นพาหนะในการเดินทาง รุดูว่าเชอร์รอดูไม่ถึงถ้าสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเดินทางตั้งแต่เชา้าจนถึงเที่ยงเนี่ยเอาสมมุติเรามีรถสักคันตอนเนี้ยเดินทางจากกูเก็ตเดินทางแต่เช้านะเจ็ดโมงเชา้าเที่ยงนี้ถึงประมาณไหนอ่ะถึงเนอโอ้เร็วมากนะ <laughs> โ, อ โ, อโอเช้าถึงหัวอาวะเคีติ์ตั้งไว้ประมาณสัก กี่กิโลสามร้อยโลสี่ร้อยโลได้ไหมอ่าครึ่งวันได้ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยโลเอาจากเที่ยงไปจนถึงเย็นก็ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งวันก็ได้ประมาณสักสามร้อยโลวันหนึ่งได้ประมาณสักหกร้อยโลสมัยก่อนนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลาใช้ม้าเนี่ยวันหนึ่งได้เดินได เดินเดินทางได้ประมาณสักกี่กิโลแต่ของนบีสุลมานเนี่ยปกติสมมตินะการเดินทางของนบีสุลัยมานเนี่ยูดูวฮาชะฮรนครึ่งวันเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้ในระยะทางถ้าเป็นระยะปกติต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนถ้าคนทั่วไปใช้เวลาหนึ่งเดือนแต่นบีสุลมานใช้เวลาแค่ ครึ่งวันครึ่งตอนท้ายก็เหมือนกันถ้าคนอื่นเดินทางต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนแต่น บ, บีซิลามันใช้เวลาอีกครึ่งวันแสดงว่าวันหนึ่งได้ระยะทางเท่ากับกี่เดือนสองเดือนหนึ่งเดือนเช้าหนึ่งเดือนบ่ายหนึ่งวันเนี่ยถ้าใช้ลมเดินทางเนี่ยเท่ากับระยะทางถึงสองเดือนอัลลอฮฺนี่คือ سبحان อัลลอฮ์ละอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มหาศักดิ์สิทธิ์และก็ไม่มีเราเรียนแล้วในสุรฮาไลนะที่ท่านนาบีสุไลมานขอด้อาว่าขอให้ชั้นได้มีอํานาจซึ่งคนหลังจากชัดเนี่ยจะไม่มีใครได้อํานาจนี้อีกแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนสิ่งที่อัลลอฮ์แต่ละให้กับนบีสุไลมานและนบีคนหลังๆไม่มีใครได้เหมือนกับที่สุไลมานได้อีกต่อไป و ัซขรน่าลิน ا ل วเฮน์ว์และจะกล ا บไปอเมริกาในรูปแบบเดียว ل ั ر ที่มีกา ا พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีกา ر พัฒ س า ر ย่างรวด ا ร็วและมีก ا ل พัฒนาอย่างรว ا เร ل วและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการพ ا ฒนาอลมีี่ว่านีม่่เพาะ เอานบีสุไลมานคนเดียวนะหมายถึงกองทหารของท่านด้วยยังไงไม่รู้นะละตะลาทำให้เอายังไงลมพาไปยังไงวอลลัคหะละนะครับแต่ว่าทั้งกองทัพทั้งม้าทั้งเสบียงไปด้วยกันได้เลยกับลมนั่นแหละพวกยโฮดีถึงยกย่องนบีสุไลมานมากๆแล้วก็พยายามที่จะถอดรหัสลับอะ ถอดถอดรหัสลับอะไรของเขาไม่รู้เรื่องสมัยเขาอะนะอันนี้คือถ้าเราไปศึกษาเรื่องราวของยอหดีเนี่ยหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงวิหารของสุไลมานนะโซโลอมอนอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองและ เราให้เขาเนี่ยมีตาน้ําที่ไหลออกมาตาน้ําอะไรรู้ไหมตาน้ําที่เป็นโลหะผุดขึ้นมาเลยอัลกัตอร์เนี่ยหมายถึงอะนุพัสหมายถึงพวกโลหะต่างๆที่ใช้ทําเครื่องมือเครื่องไม้ไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองอาจจะไม่ใช่ทองเหลืองอย่างเดียวอาจจะเป็นพวกไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างนะนอกจากเนี่ยทัพพ่อของสุไลมานดาวุฒเนี่ย ล l l a h ให้เหล็กสุไลมานเนี่ยล l ตรลให้พวกโลหะอ่อื่นที่เอามาทาอาวุธได้เอามาทาภาชนะได้ในนี้เ็าบอกว่าเป็นทองเหลืองอันุฮาสเนี่ย <c oughs> หรืออาจจะเป็นพวกดีบุกอะไรด้วยไหมเราก็ไม่รู้จักว่าโลหะในสมัยก่อนเขาใช้โลหะอะไรบ้างหลักๆ ก, ก็คือนั่นแหละพวกทองเหลืองอันุฮาสภาษาอาหรับเรียกว่าอันุฮาส ไหลออกมาเลยเป็นเนเมตที่อัลลอฮฺให้สุไลมานไดเอามาใชอันนี้คืออันที่อนาุลมดบ كما أ ل َ ن َ ل د ا و ُ ا ل ح د ي د س ل ن ل ا ب ن ه س ل ي م ا ن ا ل ن ح ا س َ ف ك ا ن َ ي س ت ع م ل ه ف ي ق ض ا ء م ص ا ل ح ه ك م ا ي س ت ع م ل ا ل م ا ء و ه ذ ا ك ل ه ب ف ض ل ن ا ว่กวตลอดทีนะทั้งหมดนี้เป็นการเอื้อเฟื้อจากอัลลอฮ์ได้เป็นความสามารถของพระองค์ที่พระองค์ประทานให้กับท่านนาบีสุไลมานมาถึงอันที่สามอันนี้ก็สำคัญภาหนะมีแล้ววัสดุอุปกรณ์ก็มีแล้วยังเหลือคนงานที่ยังไม่มีนะคนงาน ที่เอามาใช้งานก็คือวามินาลจินนี่คนที่รับใช้สุไลมานก็คือพวกจิพวกชตานไม่ทลุไ่าดอิสน่รบบิสสุไลมานเนี่ยสามารถเอามาทางานเอามาใช้งานได้ด้วยการอนุมัติจากอัลล ه และลาอิลฮอิลัลลอ์ ได้ละ il อิละหละแค่ไหนกันนะครับมีอำนาจแค่ไหนกันยินทั้งหมดไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปจากสุล a i มา n อาวแมนยาซิคมินฮุมอันอัมรินะนุซิควุมอัลาบิสัยน์ใครก็ตามในหมู่ยินที่พยายามจะหนี ออกจากคำสั่งพระบัญชาของเรานะอัาลลอแตละอนุญาตให้สุไลมานใช้งานยินได้ถ้ามันอยากจะหนีอยากจะอะไรก็ตามอยากจะไม่อยากทำงานนเรียคมินอาซาบิสีดเราก็จะให้เขาได้รับการลงโทษในไฟนรกที่ลุกชกช่วงซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะในนรกเท่านั้นแต่หมายถึงในโลกดุนยาด้วยนะลงโทษยินในโลกดุนยานี้ก็ลงโทษ ด, ด้วยไฟ เคยได้ยินไหมครับว่าที่เขาบอกว่าเวลาที่โดนผีเข้าอ่ะเวลาที่เราโดนผีเข้านี่ยเขาให้อ่านอายะต์บางอายะต์ที่ใช้ในการรุกยะถ้ามันเป็นอายะต์ที่สามารถมหนึ่งตอนที่จะอ่านอายะต์เนี่ยวิธีการเนี่ยอันดับแรกเลยให้ด่าวะก่อนนะให้ด่าวะยินให้ด่าวะยินก่อนว่าเลิกทําชั่วอย่าไปทําชั่วแต่ถ้าสมมติมันดื้อมันไม่ยอมฟัง ก็ให้อ่านอายัดและก็ให้เนียดให้คนอ่านนิดเนียดว่าอ่านอายัดเพื่อที่จะฆ่ายินแล้วมันก็จะรู้สึกร้อนเหมือนไฟอันนี้คืออาณาบของยินในโลกโดนยาด้วยแปลกไหมมันถูกสร้างมาจากไฟแต่การลงโทษมันก็คือก็คือไฟนะไม่ได้แปลกนะสุภาพนัลล่นแหละเพราะฉะนั้นเพี่น้องครับสรุปแล้วอายัด น, นี้อัละลอพูดถึงความพิเศษของนบีสุไลมานกี่ประการ ยังมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าในนี้เนี่ยพูดถึงสามอย่างนั่นก็คือมีภาฮานะที่เป็นลมทองเหลืองที่ละลายได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ไฟจุดไม่ต้องไปละลายกับไฟไหลออกมาเลยเอาไปใช้งานได้เลยและสุดท้ายก็คือพวกยินที่ อ, อัลลสุบัานฺอัลตะอะลาเอาไว้ให้สุไลามานได้ใช้งานหน้าที่ของพวกยินนี่ทำอะไรบ้างมาดูกัน م م พวกินนเหล่าี้ทํางานให้กับสุลมานตามที่เขาต้องการไปก่อสร้างปราสาทใหญ่ๆมิมมหาริบมหาริบหมายถึงอาคารสูงๆเพราะฉะนั้นสุภานัลนแหลเราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมในอดีตคนในสมัยโบราณเนี่ย เขาถึงสร้างที่อยู่อาศัยที่น่าทึ่งมากเวลาไปดูโบราณสถา น, นาสถานที่เก่าๆเนี่ยเราไปเห็นทำไมเขาเจาะวกเขาได้เขาใช้เครื่องมืออะไรคนอียิปต์สร้างพีรามิดได้ยังไงฮะ <c oughs> เราไม่อยากจะฟันทงว่ามันเป็นจริงแต่จะบอกว่านั่นแหละนะครับในสมัยสุไลามานเนี่ยแน่นอนเลยชัดเจนเนี่ยลักลณะาบอกชัดเจนว่า พวกยินเป็นพวกที่ช่วยสุเลย์มานในการสร้างพวกวิหารพวกโบด์ต่างๆพวกหอคอยต่างๆที่สูงสูงนั่นแหละแล้ววัลลอฮฺอะลัยฮาลไม่น่าเชื่อถ้าใครที่เคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหนึ่งองค์กรลับเคยได้ยินองค์กรลับที่เรียกว่าองค์กรฟรีเมซันไหมครับลองหาหนังสืออ่านดูอันนี้ มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปพวกเป็นพวกกลุ่มกลุ่มเขาเรียกว่ า, าสถาปนิกที่รวมกลุ่มกัน <c oughs> เขาจะมีสั ญ, ญลักษณ์เป็นรูปเป็นรูปแพะเป็นรูปหัวแพะมีเขาซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับทําไมต้องเป็นสถาปนิกสถาปนิกพวกนี้เวลาจะทําอะไรเนี่ยเหมือนกัาว่า มันต้องไปบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งบูชายินบูชาชัยตอนของพวกมันะเพื mm hmm. ่อให้มาเพื่อให้งานของมันลุล่วงด้วยดีมันก็ใช้งานยินด้วยวิธีการพรอมนะซึ่งอาจจะอัลลาอฮฺวาละอาจจะไปเรียนรู้เรียนแบบผมก็อ่านมานานแล้วหนังสือนี้นะถ้าใครอยากจะลองไปอ่านเองเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ บางทีในโลกตะวันตกซึ่งเราเห็นผิวเผินเนี่ยเออเขามีความเจริญในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความการใช้คอมพิวเตอร์การใช้นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเบื้องหลังเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่มันมีอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยนะสุขานลละลอห์นะอาจจะเอามาจากเรื่องราวของในสมัยของแท่นบิบลไรมานเพราะว่า โบสถ์วิหารในยุคสมัยของท่านนาบีสุไลมานในสมัยโบราณเนี่ยใช้ยินนะเป็นผลงานของพวกชัยตอนในการช่วยสร้างรวมทั้งในสุราอื่นเนี่ยละตลาพูดถึงหน้าที่ของพวกยินก็คือหน้าที่ในการดำน้ำในการดำลงไปในทะเลนะเพื่อที่จะไปหาวัตถุต่างๆที่แปลกๆสิ่งต่างๆที่แปลกๆในทะเลแล้วก็เอาขึ้นมาให้กับท่านนาบีสุไลมาน เพราะฉะนั้นมหารีบหมายถึงอาคารสูงสูงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปราสาทไม่ว่าจะเป็นราชวังไม่ว่าจะเป็นหอคอยหรือวัตมาศิลยินจะทําหน้าที่ในการสร้างหุ่นรูปปั้นต่างๆว่ากันว่าในสมัยของท่านนาบีสุลัยมานเนี่ยยังไม่เป็นที่ห้านในการสร้างรูปปั้น ในสมัยเราในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิส salam ว่าแต่ล ะ, ละมีบัญญัติห้ามแล้วไม่ให้ปั้นรูปโดยเฉพาะรูปที่สิ่งสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์รูปคนหรือรูปอะไรก็แล้วแต่ปั้นไม่ได้แต่ในสมัยของท่านนบีสุลัยมานั้นยังสามารถที่จะปั้นได้ยังสามารถที่จะทํารูปปั้นเหล่านี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่น่าปแปลกเราจะเห็นว่าในโบสถ์ในวิหารของไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนาซาร์เราเห็น มีอะไรครับนะเต็มไปด้วยรูปสัตว์ต่างๆหรือเอาแค่บ้านของชาวยุโรปเนี่ยถ้าเป็นราชวังใหญ่โตนี่จะต้องมีอะไรต้องมีสิงโตจะต้องมีมา้าต้องมีมังกรต้องมีรูปสัตว์เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ลามมาถึงนะภูมิภาคนี้ด้วยนะภูมิภาคตะวันตกมันจะเป็นรูปแบบหนึง่งภูมิภาคบ้านเราก็จะเป็นรูปแบบนึง มีกิเลนมั่งมีไกม่มั่งมีมีชัมีมันก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าชิริกเนี่ยมันอันเดียวกัน ล, อล า, าอิ ล, าล้าอิลา ล, อลาหละวะนะวะามาซิดว่าจิฟานินคืจวาบจิฟานหมายถึงพวกโคมพวกชามพวกกละมังหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไว้ใส่ของอะแล้วเป็นพาชนะที่ใหญ่โต ใหญ่โตเหมือนกับเป็นบ่อหลุมหนึ่งเหมือนสระน้ําสระหนึ่งเลยเอาไว้เก็บของเพราะว่าท่านอับดุลเลมานต้องเอาไว้ใช้เก็บของเพื่อที่จะเลี้ยงกองทหารนะเล็กๆไม่พอนะกองทหารมีมหืมาเลี้ยงไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงมนุษย์นะเลี้ยงดินด้วยก็เลยต้องมีภาชนะที่มันใหญ่โตว่ากูดูร์รอเซียหม้อเนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยไม่ต้องย้ายละ ราศซียดหมายถึงว่าอยู่กับที่ตรงนั้นแหละเวลาทําอาหารก็คือหม้อใหญ่ๆขนาดที่ว่ายกไปไม่ไมต้องยกไปไหนหละให้อยู่กับที่ตรงนั้นตลอดไปถาวรไปเลยใช้มันได้เลยใครเป็นคนสร้างหม้อนี้กจินนะสร้างอาคารบ้านเรือนสร้างรูปปั้นต่างๆสร้างภาชนะต่างๆสร้างหม้อใหญ่โตนี่คือความพิเศษที่อัลอุเลาะห์มุฮอะาลา ให้กับท่านนบีสุไลมานอะลัยสัลามถามว่าหลังจากยุคของสุไลมานมีใครที่ทําได้บ้างในโลกนี้ใครที่มีความพิเศษมากกว่านบีสุไลมานแบบนี้อีกไม่มีสุวานัลลอฮฺแต่ถามว่าอำนาจทั้งหมดความพิเศษทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยทําให้นบีสุไลมานกลายเป็นคนที่แข็งข้อกับอัลลอฮฺ เป็นคนที่หยิงเงยอโซกับมนุษย์ด้วยกันไหมกลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับอัลลอ์ไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์ไหมตรงกันข้ามเลยเนืมัดทั้งหมดที่สุไลมานและดาวูดดาวูดกับสุไลมานได้รับมาอะลัยฮิมัสสลามเอาไปใช้ในหนทางของละตะลลาหมดเลยเอ็มลูอัลดาวูดะชุครอจงทำอามัลเถิดโอ้วงวานของดาวูดเอ๋ย ให้เอาเนืมของพระองค์เนี่ยเอาไปขอบคุณพระองค์อย่าใช้เนื้อหมัของ a l l ในการทามศเสียต่อพระองค์มีคำอธิบายที่น่าสนใจคำว่าชุกกรอเนี่ยหมายถึงให้เราทำความดีเพื่อขอบคุณ a l ل a h การทำความดีเพื่อขอบคุณล l l a h ซุพานตะลาเป็นหน้าที่พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนต่านอับดุลลอฮฺสัลลัลล ยืนละหมาดตะหันหยุดจนกระทั่งเท้าทั้งสองข้างของท่านเป็นรอยแตกไอชะตอนเดียัลลอฮฺอ้างถามท่านนาบีสุลต่ลานท่านจะละหมาดเยอะไปทําไมละละหมาดเยอะไปทําไมในเมื่ออัลลอฮฺตะอลาเนี่ยอภัยโทษให้กับท่านแล้วท่านเป็นคนมักซูมทําโทษทําบาปแค่ไหนไม่มีบาปไม่มีบาปแต่ท่านนาบีสุลต่านไม่ไม่ไม่ไม เป็นคนที่มัศูมไม่มีบาปแล้วยังจะละหมาดยังจะทำอิบาดักทำไมถ้าถามเราเนี่ยเราทำอิบอดัเพื่ออะไระเพื่ออยากจะได้จากอัลลอ์อยากจะได้ผลตอบแทนจากอัลล์นี่ก็นี่แหละที่เขาบอกว่าความออคลาสเนี่ยมันมีสามระดับใช่ไหมทำความดีเพื่อต้องการผลตอบแทนอันนี้ระดับแรก เอกลักษณ์ระดับแรกถามว่าเอกลักษณ์ไหมเอลาสไม่ผิดเราละหมาดอยากจะได้บุญจากล l l a h ถามว่าผิดหรือเปล่าอยู่นอกเหนือความเอกลาสหรือเปล่าไม่ใช่นะทําความดีเพื่ออยากจะได้บุญจากล l l a h ถือว่าเป็นความเอกลาสแต่เป็นความเอกลาสระดับพื้นๆสูงกว่าทําความดีเพราะต้องการผลละบุญเนี่ยสูงกว่านั้นหน่อยก็คือทําความดีเพื่อขอบคุณ Allah อันนี้สูงกว่าการทำความดีเพื่อต้องการผลบุญได้บุญไม่ได้บุญอยู่เหนือความรู้สึกนั้นไปแล้วทำความดีเพราะต้องการขอบคุณอัลลอสุบฮนานาะตะลและถ้าจะให้ดียิ่งกว่าอันนี้ขั้นสูงสุดมากกว่าทำดีอยากจะได้บุญทำดีเพื่อขอบคุณมากกว่านั้นทำดีทำอิบดะดาห์เพื่อ เพราะรักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนั้นสูงกว่าการชุกรธรรมดาแต่ทั้งสามระดับนี้ถือว่าเป็นความอัคลาทั้งสิเพราะฉะนั้นอัลลอลาสั่งให้ลูกหลานของดาวูดรวมตัวนบีดาวูดเองนบีสุลมานและลูกหลานของทั้งสองเนี่ยให้ชุกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การชุกรเนี่ยใน تفسير อัสสัตดีเขาบอกว่าว่ชุกร บมินนาจลหจะละการที่เรายอมรับด้วยใจว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราได้รับมาจากอลอมีอะไรบ้างที่เราไม่ได้ที่เราได้มาแล้วมันได้มาเองเราทํางานก็จริงแต่ถามว่าใครเป็นผู้ประทานต่าฟิกให้งานที่เราทํามันสําเร็จบางคนทํางานไ่ไม่สมําเร็จอะ เราสแสวงหาก็จริงใครเจอริสกีของเราถ้ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์ดังนั้นใจต้องยอมรับว่าริสกีทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งวะตะลกีฮะอิสติการันอิเลยฮะและเวลาที่เรารับมาเนี่ยรับมาด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ขัดสนต่อหรอไม่ใช่ว่ารับมาด้วยบางคนรับมาแบบไม่อยากได้ อ่ะเข้าใจไหมเวลาที่คนให้ตังค์คนที่มีตังค์เยอะๆบางทีเดี๋ยวมีคนมาให้ฮาดียะบางทีไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่เอาเอามาเพื่ออะไรเพื่อรักษาหน้านี่เราหว่างมักรูกด้วยกันเข้าใจไหมครับเอาเอาอันนี้ไปหน่อยซิเนี่ยเอามาจากนู่แต่กับ Allah เนี่ยเรารับของมาจากล l l a h เนี่ยเราไม่ได้มีความรู้สึกเพื่อรักษาหน้าไม่ใช่แต่เรามีความรู้สึกจริงๆว่าเราจําเป็นต่อ Allah จริงๆ Jampi untuk rezeki ke Allah, jampi untuk naikmat ke Allah, sebenarnya. Lepas merap malah, wassarfuhuha fi taatillah Taala. Aw naikmat nanti, mahu cai ta dalam ta taat ke Allah, dalam khabar ibadat ke Allah. Wassunuhuha an sarfiha fil maqsyah. Lepaskan ya, aw naikmat yang Allah Taala alamai nih, pergi cai dalam melakukan maqsyah, dalam melakukan. อันนี้แหละคือการชุกกเพราะฉะนั้นการชุกกเนี่ยไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวนะอัลฮัมดลุลิลลาอัลฮัมดลุลิลลาเนี่ยเป็นการชุกกด้วยคําพูดแต่หวัวใจยอมรับหรือเปล่าการกระทําของเราเราเอาเนตหมังขอละตาลาเอาไปใช้ทําอะไรถ้าเราพูดอัลฮัมดลุลิลลาแต่เรายังเอาเนตหมังขอละตาลาไปใช้ในทางที่ผิดก็แสดงแสดงว่ายังไม่ใช่การชุกกที่แท้จริงการชุกกที่แท้จริงหัวใจยอมรับ ปากกล่าวออกมาร่างกายอวัยวะต่างๆเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องนี่คือการชกุรอต่อพระสุพรรณหอตาล่แน่นอนว่าคนที่ทำอย่างนี้ได้มีเยอะหรือว่ามีน้อยลราแต่ลาบอกเองไม่ต้องรอคำตอบว่ากัลีลุนมินอิบดะดียาชกูรน้อยมากเหลือเกินจากบ่าวของฉันที่เป็นคน ชอบที่จะขอบคุณกับอ ول um ัลลอฮ์ س ب ح ا แล่าลละไวตออวยลลอฮ์ข้จข อ, Allah อยบนานฐานวนฐอนฐนน า, Allah า, า, านฐานานฐางงนฐานฐานฐานฐานฐานฐานฐานฐานานฐานฐานฐานฐานฐหนานานฐานานฐารฐาะฐานฐานฐานฐานฐอนฐานฐานฐานฐานฐานฐานฐะนฐานฐานฐานฐานฐานนฐานานฐานานนนานนานนาาานาาาาานานนน แล้วในจำนวนคนที่ขอบคุณอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณแบบมีคุณภาพเนี่ยก็ยังน้อยนะเอเพราะฉะนั้นต้องขอดูอาอนอยู่เสมออัลลตาอัลลาช่วยเราให้เป็นคนที่ชาคิรินชาคิรอนให้เป็นคนที่รู้จักขอบคุณอัลลอตาอลาทุกเวลาด้วยใจด้วยคำพูดและด้วยการกระทาของเรามาถึงอายัตสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับท่านนาบีสุลยมานนะมา s فلما قضينا عليه الموت และเมื่อเราได้กาหนดความตายถึงเวลาตายละสุล aiman ถึงเวลาเสียชีวิตลวปรากฏว่า ما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ س َ ع َ ت ِ ه ِพวกจินไม่รู้ว่าท่านนบีสุล aiman เสียชีวิตไปแลวรู้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่า ในบางตัสิทบอกว่านบิสุเลมานี่ละมาดละหมาดแล้วก็ใช้ไม้เท้าค้ำค้ำอยู่แล้วเสียชีวิตในระหว่างที่ค้ำไม้เท้าอยู่เนี่ยพวกยินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ยังทำงานปกติรับคําสั่งให้ทำงานน่ะก็ทำงานปกติก็เห็นนบิสุเลมันยืนอยู่ก็เข้าใจว่ายังมีชีวิต ในมโนเกษตรีบอกว่าเสียชีวิตไปเกือบหนึ่งปีพวกจินไม่รู้ทำไมที่จินไม่รู้ตัวและทำไมที่อัลลอสุบไบฮฺตะละเอาเรื่องนี้มาพูดรู้ตัวก็ต่อเมื่อยืนนานเกินไปจนกระทั่งปลวกมากินไม้เท้าของสุไลมานแล้วมันก็เลยเอไม้เท้านี่มันก็ หลุดไปก็ร่างก็ล้มไปเนี่ย سبحان อัลลอฮ์นะแล้วเมาคอขรรตเบียนต์จินตอนที่ท่านอับดุลลมานร่างของท่านอับดุลลมานล้มลงเพราะว่าไม้เท้าเนี่ยโดนปลวกกินไปหมดแล้วแต่บียนต์จินพวกจินก็รู้ตัวแล้วว่าอ๋อที่คือพวกจินเองเนี่ยก็โอหังกับอัลลอฮ์โอหังกับ الله, อัลลอฮ์โอหังกับมนุษย์ด้วย และเชี่ยวไปเปล่าประกาศไปบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้เยอะรู้ความลับของท้องฟ้าและแผ่นดิ น, ร, นดรู้นู่นรู้นี่แล้วพวกมนุษย์ก็งโง่ไปตามจินไปเชื่อว่าจินมันรู้จริงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังพึ่งยินพึ่งผีเวลาอยากจะดูอะไรก็ไปถามหมอดูหมอเดาแล้วหมอดูหมอเด า, ดเดาก็ไปหาจินไปหาอะไรตามวิธีการตามวิชาของมันเพราะเข้าใจว่าพวกยินพวกนี้รู้แล้วพวกยินก็หลอกอยู่ หลอกมากี่ปีกี่หมื่นปีก็ยังหลอกอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยรัตตล ะ, ตะลก็เลยเอาอายดนี้มาเป็นหลักฐานพยานว่าพวกจินไม่รู้ความเร้นลับถ้ารู้ยังจะทํางานอยู่ไหมถ้าสมมุติรู้ว่านาบีสุไลมานตายไปแล้วพวกจินจะทํางานอยู่เองไหมหยุดทํางานไปนานแล้วแต่นี่ไม่รู้ไงว่านาบีสุไลมานเสียชีวิตไปแล้วทางทั้งที่สุไลมานอยู่ อยู่ตอนหน้าตัวเองแล้วจะรู้เรื่องอื่นได้ยังไงแต่อีกแค่ความตายของนบีสุไลมานที่อยู่ตอนหน้าพวกมันมันยังไม่รู้เลยเราจะไปทักทักอ้างว่าตัวเองรู้ความลับบนท้องฟ้าตรงนู้นตรงนี้ได้ยังไงเรา แ, แต่เรต้องการสอนเราว่าพวกยินไม่มีความรู้ในสิ่งเร้นลับไอ้ที่รู้เล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นการคาดเดาหรืออาจจะเป็นการบอกต่อบอกเล่ากันมาซึ่งอาจจะเป็นความเท็จก็ได้แล้วทําไมเราต้องเชื่อพวกมันด้วย ทเบียนติ ا ل ج น أ َ ل ล و ْ كَانُوا ي َ ع ม ل َ م ُ و ن َ الْغَيْبَ مَا لَبِثُ فِي ا ل นั้าพวกเขารู้ว่าสุลมานเนี่ียชีวิตไปแล้วรู้รู้อเรีนรับอย่างนี้พวกเขาก็จะไม่อยู่ในความทรมานหมายถึงอยู่ในการทํางานต้องมารับภาระงานหนักๆของสุไลมานอยู่ที่น่าอดสูเช่นนี้ s, <S ุ b h าน a ล l a h เพราะฉะนั้น ฟะโหล علم الغاي لعلمو موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه يسلم مما هم في เอ็นไหมเพราะฉะนั so ้นเรื man, ่องราวของนบีสุลัย م ا เนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างพวกเราลองไตรตรองลองพิจารณาดูหนึ่งเรื่องราวของอำนาจเรื่องราวของความพิเศษที่อัลลอฮฺสุบัยฮตัลาให้กับเ่าเวลาที่เราได้รับสิ่งพิเศษเหล่านี้ อย่าทำตัวโอหังสุภาน้ลลอมีตัวอย่างมากมายนะครับคนที่ได้อะไรเล็กๆน้อยๆมีไหมในชีวิตจริงของเราเราเคยเห็นไหมคนที่ว่าเออพอจะนะพอจะเหนือกว่าคนอื่นนิดๆอ่ะเริ่มแล้วเริ่มออกอาการแล้วสักวันหนึ่งละตละก็ริบแนมัดของพระองค์กลับคืนจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้อะไรมาจากอัลลอ์ ต้องขอบคุณอย่าเนรคุณนี่เป็นกฎจี่อัละะลอฮฺวางเอาไว้เลยใครที่ขอบคุณจะได้รับเพิ่มใครที่เนรคุณเป็นยังไงอัละะลอฮฺจะริบกลับคืนทันทนะีแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยินนะครับที่เป็นบริวารหรือว่าเป็นผู้รับใช้นบีสุไลมานยินพวกนี้ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องที่อัลลอฮฺสุบบะฮฺอัลลอฮฺปกปิด แต่อย่างได้เพราะฉะ น, นั้นอย่าไปตกเป็นท่าของพวกมันนะครับสุภาพนัลล่นอรอและแน่นอนว่าเรื่องราวของสุไลมานกับเรื่องราวของท่านนาบีดาวูดอะลัยฮิสสลามสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราได้เห็นก็คือวَ ق َ ل ِ ي ل ٌ مِنْ عِبَادِ ي َ ش ْ ك ُ و ر อิ่มัลู صالح ะ อ, อีกคนน้ า, า, านี้ Allah แปลใาชา้คำว่าอมัลู صالح ะให้ทำความดีให้ท ำ, อำาอ ص ا ل มาถึงอายต์วันน um ี้เอ็มมาลูอาลดาวดะชุคราทำเพื่อขอบคุณต่อ Allah سبحانه และ تعالى เรานะครับไม่ได้ดีไปกว่านบีสุไลมันสุบฮานอ Allah ถ้าท่านนบีสุไลมันยังเป็นคนที่นอบน้อมต่อ Allah سبحانه และ تعالى แล้วเราจะเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อ Allah ไม่ได้หรือเราหรือว่าเราอย่ยาให้เป็นเพื่อเหมือนพวกมุชริกินที่ ไม่ยอมรับและจะทำตัวโอหังต่อหน้าคําสอนคําเรียกร้องของท่านนาบีสโลลลอห์องอัลลอฮฺัปดาห์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของซาบะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกันพวกซาบะเนี่ยเป็นพวกที่มีอํานาจเหมือนกันแต่ผลบั้นกลายของพวกซาบะเป็นยังไงนะดาวูดมีอํานาจ สุไลมานมีอำนาจแต่ใช้อำนาจในการต่ออาุบฮานาะอลในขณะที่พวกซาบะลอลให้แนะัำให้อำนาจต่างๆแต่พวกเขาใช้อำนาจของพวกเขาใช้ความพิเศษใช้แนะัำของพวกเขาไปในทางแบบไหนอินชาอัลล์จะได้มารียนรู้กันอิสิลลอฮิุบฮานะอัลละอัลลอฮ ا ل م ح م